อุบัติขึ้นเมื่อใครทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายแม้เพียงชั่วคราวไปจดใจที่สุดละเอียดในกลางธาตธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนี้ได้ธรรมกายก็จะอุบัติขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้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 เพราะฉะนั้นธรรมกายจึงไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งธาตุไรลักษ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสามัญลักษณะจึงชื่อว่าพรหมกายแปลว่ากายอันประเสริฐและความอุบัติขึ้นของกายอันประเสริฐจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ารพรหมภูตานี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 หรือมีโอกาสตกต่ำกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาผู้หนาด้วยกิเลสได้เช่นกันแต่ถ้าพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจ ท, ทั้งสี่มีทุกสัจจะสมุทยัทยสัจจะมีโรธสัจจะและมรรคสัจจะสามารถประหารกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสามประการดังกล่าวข้างต้นจึงจะมีคุณสมบัติ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 อันเป็นที่ประทับของพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ขีนาศกทั้งหลายที่เข้าอนุปาทิเสสนิพานคือกายเนื้อแตกทำลายแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลของท่านที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายะชนะนิพพานสงบตลอดกันหมดที่กล่าวทั้งหมดนี้มิใช่กล่าวเองแต่มีอยู่ในพระตจพิดก ในนิพพานสู่ที่สามขึ้นต้นว่าอัธิพิคเวตทายาตนะงแล้วก็มีความต่อเนื่องกันไปแสดงถึงลักษณะของอาญาตนานิพพานเป็นเชิงในยะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่จุดละเอียดก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของอาญาต น, านิพพานได้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 พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระประมานุชิตที่โนรถเป็นคําแปลแล้วก็เรียบเรียงพูดอย่างง่ายๆ า, าภาษาธรรมดาเป็นคําแปลปสมสมโพธิกระถาจากพระไตรปิฎกแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาที่ดีมีความว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลัง ที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ผูกพยามานชื่อว่าพยาวัศวดีมาระจนพระองค์จนพระองค์ต้องอาศัยบารมีอุปบารมีปรมัต a บารมาีทั้งสิทัศนั้นเอาชนะพยามานได้และได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ทวงไม้สีมหาโพในคืนวันเทนเดือน6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 บำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้เรียกว่าก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นเถอดพระอุปคุตนี่ไม่เคยได้เห็นพระวรกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าและพระอรหรันต์ขีณาศพเคยเห็นแต่พระธรรมกายนี่จึงได้ขอให้พญามาณซึ่งเคย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 แต่ว่าไม่ได้เห็นรูปกายจึงได้ขอให้พญามารซึ่งเคยเห็นพญามารยังไม่ตายเป็นเทพนี่เป็นเทวดาชั้นสูงอายุา ย, ยื น, นก็จำได้ว่ารูปร่างอย่า ง, างไรกเ็เนรมิตกายให้ดูได้นี่เป็นเอกสารสำคัญข้อที่หนึ่งประก า, ารหนึ่งที่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมกายและมีอีกซึ่งความจริงอาตมาเคยนมาอ่านหลายครั้ง แต่ก็ใคร่จะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็น เ, เป็นการรวบยอดมีอยู่ในพระสุตันตปิฎกพุทธกานิกายสระพังคะเถระคาถาข้อ365พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพุทธกาลาษ2 5ย4เล่มที่26หน้า334อันนี้ความนิชชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราพูดชื่อว่าสระพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขัน5ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้น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 พระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นั้นทรงปราศจากปัญหาตันหาไม่ทรงถือมั่นทรงยั่งถึงความสิน้นกิเล ส, สเสด็จกุบัตดแท้โดยธรรมกายนี่แหละธรรมภูตะหรือพรหมภูตะผูค้คงที่ทรงเอนดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงสแสดงธรรมคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกความดับทุกทางเป็นที่สิ้นทุก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 มหาเถระนี้ก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็เป็นธรรมกายเหมือนกันยังมีอีกมีหลักฐานอีกมากมายว่าพระอรหันต์ขีนาศพก็ดีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอารหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นคุณโยมครับฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านยกมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า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 ได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมกายครับพระอรหันต์ทั้งหลายต่างรับรองพระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมีได้แสดงเลยว่าธรรมกายของพระพระองค์ท่านคร <Okay. S 1> ับอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> ทรงให้เกิดครับทรงให้เกิดคือพระแม่น้านี่อายุมากกว่าแล on, ้วพระพุทธเจ้าจะทรงให้เกิดได้อย่างไรแต่ทรงทําให้เกิดหรืออุบัติเกิดในนี้หมายถึงอุบัติ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 ว่าเมื่อปฏิบัติภาวนาทำไปแล้วพบว่ามีคนบางคนมีอาการทางจิตไม่ค่อยจะดี ค, ความจริงนะ่ให้ไปสืบถามดูให้ดีเถอะแทบทางสิ้นมีอาการมาก่อนปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว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 พอเหมาะพอดีกับสังขารร่างกายและจิตใจไม่หักโหมจนเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์แนะนําในทางที่ถูกที่ควรครับมีแต่ดีกับดีเพราะใจยิ่งสงบมันจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้อย่างไรครับครั บ, รบท่านผู้ชมครับก็คงจะต้องแยกแยะประเด็นให้ใช่เห็นว่าคือดูถึงสาเหตุต้นเหตุนะฮะอย่าไปดูที่ปลายเหตุใช่ใชครับหลวงพ่อว่าอย่าไปดูปลายเหตุว่าคนนี้เป็นบ้าอย่าไปดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อน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 สิ่งนี้จะทรงผลให้มาเป็นวิบากหรือให้ผลกรรมมาเป็นคนมี จ, จิตใจฟุง้งซ่านระงับไม่อยู่ครับหรือบุคคลที่เคยเสพ ส, สิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอมาปฏิบัติธรรมเข้าบางทีผลละกรรมนี้ก็มาได้จังหวะของการที่จะให้ผล บ, บ, บวกเข้าไปครั บ, รบทําให้เข้าไปพบครูบาอาจารย์ที่ แนะนำไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์รก็มีผลให้เป็นได้บ้างเหมือนกันนะเรื่องวิบากกรรมนี้จะแก้อย่างไงครับคือ <c ười> หรือทำอยังไงถึงจะปฏิบัติได้ตรงสายก <c oughs> ็ <c oughs> พยายามทำดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในศรรีลในสมาธิในปัญญาในวิมุติิมุติญาศัสนะเดินสายกลางอย่าหย่อนนักอย่าตึงนักก็ช่วยได้โยมคำแนะนาที่ถูกต้องเป็นเรื่องสาคัญ ทีนี้แม้คําแนะนําถูกต้องแล้วติดจะต้องทําให้ถูกต้องตามคําแนะนํานั้นด้วย บ, บางทีครูแนะนําคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนเป็นประจําทุกวันทุกเป็นปีอย่างนี้มันก็ต้องเจอประเภทที่ออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปจนเป็นอย่างนั้นจนได้เพราะว่าคนจํานวนมากคนมีวิบากกรรมก็ดีคนที่มีเชื่อมาก่อนก็ดีคนที่ไม่ปฏิบัติตามครูก็ดีก็มีโอกาสเป็นได้ สาธุชนก็ได้รับฟังการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลเรื่องพร ะ, ะธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งก็หลวงพ่อได้อตอบปัญหาเผยแผ่ออกทางสถานีทุรทัศช่อง9อสมทอตมาจึงนำมา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 วิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่สิทธยานุสิ์ได้สืบทอดสืบต่อกันมาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและประเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านยังเคยได้ป่ารกไว้ว่าต่อไปทั่วประเทศไทยจะปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเพราะ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 จงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร